กระถาวัตถุสินะคือเป็นคนที่ดีมากแล้วก็สอนให้คนอื่นดีด้วยแล้วก็มีคนอื่นที่เขาทาดีตามที่ท่านสอนด้วยภิกสูรูปนั้นมีไหมภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าเนี่ยนะอาจารย์ของข้าพระองค์นั่นแหละพระเจ้าข้ า, ขาว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในชาติติภูมิเนี่ย น, นะก็คือมาปรึกษากันแล้วก็อาจารย์เรานะนะั่นแหละว่าท่านพระปุณณมันตานีบุตร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 เงียบสงัดเนี่ยนะไม่คลุกคลีด้วยหมูปรารกความเพียรสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัศสนะและยังกล่าวสอนเรื่องความมากน้อยสันโดษนะความสงัดเงียบไม่คลุกคลีด้วยหมูปรารกความเพียรสอนให้ผู้อื่นสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะอีกด้วย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 ตั้งคำถามว่าเพราะเหตุไรในหน้า3า8ร้าทำไมเนาพระพุทธเจ้าไม่ตรัสถามถึงความไม่มีโรคของพระเจ้าสุดโทธนะเป็นต้นเลยไม่พูดถึงพระญาติเลยเนี่ยนะไม่ทูดถึงแผ่นดินอนาณาประชาราชอะไรเป็นต้นไม่ถามถึงเลยตรัสถามเฉพาะภิกษุเห็นป่านนี้เท่านั้นพูดถึงเฉพาะพระภิสูจน์ที่ได้กระถาวัตถุสิบและชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในกระถาวัตถุสิบเพราะ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 เป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจก็อย่างเช่นคล้ายๆกับว่าเช่นภาษาลีบุตรเนี่ยภาษารีบุตรอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั้นก็เหมือนกับว่าตัวเองอยู่ณนะตรงนั้นอยู่แล้วมีคุณสมบัติทําอะไรได้เลยลอย่างเช่นกับตนเมื่อ น, นึกถึงก็สบายใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภิกษุผู้ได้กระถาวัตถุสิบและสั่งสอนแนะนําชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในคาถาวัตถุสิบจึงเป็นที่รักของพระพุทธเจ้าท่านย้ําจริงอยู่นแปลว่าคําที่ย้ํา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 เพราะพระองค์เป็นผู้หนักในธรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้หนักในธรรมเนี่ยนะจริงอยู่พระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้หนักในธรรมหนักในธรรมในที่นี้หมายถึงหนักในโลกุตระธรรมและข้อปฏิบัติเพื่อโลกุตระธรรมนะนะพระองค์เคารพโลกุตระธรรมมากและเคารพข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติให้ได้โลกุตระธรรมเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่เคารพในธรรมนั่นแหละทําให้พระองค์รักผู้ที่ปฏิบัติใน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 สีขาวุธเป็นหนึ่งยอเพระองค์เดินทางประมาณ12กิโลนะเดินทางไปต้อนรับใครไปต้อนรับพระมหากัะสปะคือวันหนึ่งพระมหากัะสปะเนี่ยละทิ้งอาคารบ้านเรือนออกบวชพร้อมกับนางพระตกาพิลานีเนี่ยนะพอออกบวชมาสองคนเนี่ยพอมาถึงทางสามแยกแตถ่ถ้ามองข้างหน้าก็มีแค่สองแยกนะถ้าเทียบกับทางที่ตัวเองเดินมาก็เท่ากับทางสมแยกพอดีมีทางซ้ายกับทางขวา ทีนี้พระหมหากรสปะท่านก็มาคิดว่านางพัตกาปิลาเนี่ยเป็นหญิงที่งามมากในแผ่นดินในยุคนั้นเนี่ยงามมากนั้นถ้า ก, การที่จะไปด้วยกันก็เป็นที่ครรหาคนใดที่คอรหาท่านคนนั้นจะตกนรกนั้นก็สงสารไม่ต้องการให้คนตกนรกทําไงเรามาแยกทางกันไปแล้วกันอนะทำไงดีใครจะไปทางไหนก็บอกนางพัตกาก็บอกหญิงไปทางซ้ายชายไปทางขวาเขาว่างั้นนะนะ เขาบอกว่าชายหน้าเคารพขวาพระผู้ชายไปไปขวานางก็ไปซ้ายพระมหากัศปาก็ระหว่างที่เยกกันเนี่ยนะเขาบอกว่าสันทวะการเกี่ยวข้องกับของคู่เนี้มาแสนกลับละเรียกว่าทํากุศลร่วมกันมาแสนกลับวันที่จากกันเนี่ยแผ่นดินไหวพอแผ่นดินไหวเข้าเนี่ยนะว่าไงพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ที่เวลุวันนะเนี่ย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 มาถึงก็ไปตน้นรับก็ไปนั่งที่ที่ข้างต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็แผ่รัศมีพระมหาคสปะก็มาถึงก็มามาเห็นนะันนเห็นรัศมีเป็นต้นนี้เห็นปั๊บเนี่ยรู้เลยวันนี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนี่แหละคือบุคคลที่เราอุทิศส่วนอุทิศบวชเจาะจงใหแ้แล้วท่านก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็บอกว่าถ้าพระมหาคสปะกราบแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินก็หวั่นไหวกราบทะเลทะเลก็แห้งว่าอากาศฝนก็ไม่ตก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 ไม่ไม่ไปเรื่องอื่นมือนกันเถอะมประชุมประชุมความคิดทั้งหมดแล้วแพ่งที่ทําที่คนอื่นที่พูดโดยทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเทว่าโอวาทูประสัมปทาบวช ด, ด้วยโอวาทโอวาท์สาข้อนี่แหละที่พระมหากรสปะออกบวชแล้วบวชเจวันท่านก็เป็นผ้าอรหัน์นี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะพอตอนที่มาบวชปั๊บพระพุทธเจ้าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสังเปลี่ยน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 มีสาวกองเดียวที่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนท่าใช่นะแล้วก็แล้วก็ตอนหลังเมื่อพระหมหากระสปะออกบวชแล้วพระพุทธเจ้าชมหมดเลยว่าพระองคปง์ประสงค์จะเข้าปฐมฌานอย่างใดกระสปะก็ทำได้อย่างนั้นชื่นชมพระหมหากรสปะทั้งปทั้งรูปฌปาน ท, ปปทั้งอรูปฌานทั้งอภินยาหกทั้งนิโรธสมาบัตยกย่องมากเลยเนี่ยนะถามว่าทำไมจึงยกย่องพระหมหากรสปะมาก เพราะว่าพระสาริบุตรเป็นต้นเนี่ยไม่ได้อยู่ทําสังขารนาแต่พระมหากระสปะนี่จะเป็นผู้ที่ทําสังขารนาพันคือแล้วก็าศาสนาเนี่ยเนื่องด้วยพระมหากระสปะพระมหากระสปะเนี่ยทำหนึงถึงอุปการะคุณทั้งมวลที่พระองค์ทํากับท่านท่านจึงขวนขวายในการทําสังข า, นารนาศาสนาก็เลยถึงเราเพราะถ้าไม่มีพระมหากระสปะอดเรียนแน่เห็นไหมเห็นไหมมรกักระจัดกระจายระสามรสายไปถึงไหนไม่มีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหนไ อันนี้เหตุผลหนึ่ง